ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่พธิยานกำลังนำเสนอเรื่องภาวนาประทานคือกุศลที่บุคคลควรกระทําทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นโดยยกตัวอย่างบารมีเพื่อเป็นการปฏิบัติโดยเสด ร, รอยชุคนบาทพระพุทธเจ้า ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบา ร, รมีหลักก็คงจะยกตัวอย่างมาสักสามสี่บา ร, รมีเนะี่ยมือก่อนได้พูดถึงเรื่องฐานบา ร, รมีเกิดเป็นที่น่าสังเกตว่าจะพูดเรื่องวัตถุฐานเป็นหลักจะไม่เอาเที่ยวัยาทานเพราะพยาทานมันมีเมตตาอยู่แล้วแล้วก็พูดธรรมทานมันก็มีปัญญาอยู่แล้ว ในที่นี้ก็เน้นเฉพา pues ะ <basics S 1> ตัววัตถุทานจะในภ nah าคการปฏิบัติจริงๆจะต้องเข้าใจว่าก IR ุศลทั Mo ้งหลายนั้นเมื่อเขาเกิดก็เกิดด้วยกันก็เป็นกระบวนการของธรรมะยานีกันนีกงการที่ให้ทานในแต่ละคราวนั้นมาประลดโลภะโตสะโมหาริสยาวิหิงสาอะไรต่างๆลงไป เพราะถ้ า, ากว่าเรายังมีความรู้สึกไม่ดีอยู่ในจุดใดจุดหนึง่งในการให้จะดําเนินไปตลอดรอดฝังไม่ได้แต่การที่เราดําเนินไปได้ตลอดรอดฝั่งก็แสดงว่ากุศลเจตสิกก็เกิดขึ้นปรุงจิตอย่างต่อเนื่องวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสีละบารมีบารมีก็คือสีนะ เราจะเห็นว่าลักษณะของศีนนั้นท่านให้นิยามไว้หลายอย่างความสํารวมรอมเรื่องชีวศีนความงดเว้นชื่ีวศีนการไม่ล่วงละเมิดชีวศีนเจตสิกชีวศีนอาการที่แสดงออกมาปกติทางกายธรรมาจาติชีวศีนเป็นต้นพันศีนจึงจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจากสมมติ สำนึกทีพพอเหมาะปกควรแกความเป็นมนุษย์มันก็คิดได้นะครับเพราะว่าแนวศีลเป็นแนวเอาใจเขามาใส่ใจเราที่วันแนวอัตตานังอุปมงกัตวาเกิดทาตนเป็นอุปมาเราสามารถนึกทิพเคียงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าศีลในสีข้อแรกทีนี้พูดถึงศีลสีข้อแรกก็อยากจะตั้งข้อสังเกตยอย่างหนึ่ง คเวลาเนี้ยเราพูดเรื่องโลกวัชชะกับปัณณิติวัชชะเวลาพูดถึงเรื่องพระเนี่จะเน้นที่โลกวัชชะนี่มากแต่ที่น่าสลดก็คือว่าบางทีพระเป็นคนพูดด้วยแต่ว่าแยกไม่ออกไว้โลกวัชชะกับปัณณติวัชชะเนี่ยมาต่างกั น, นยังไงเขาว่าโลกวัชชะแปลว่าไม่ใช่แปลวติเทียนนะฮะวัชชะแปลวโทษหมายความว่าเป็นความผิดทั่วโลกหรือความผิดสากล คุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาอะไรไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าคุณไปละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวในการรับฟังข้อมูลข่าวสารก็บุคคลอื่นแล้วก็ผิดด้วยกันคุณอยู่ในศาสนาไหนก็ได้แต่พอมาถึงสีข้อที่ห้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปัญหาละมันไม่สากลยังยศาสนาบางศาสนานั้นมีพิธีดื่มเล้า เล่าเนี่ไปอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาบางศาสนาก็เคร่งครัดไม่ดื่มเด็ดขาดเพราะตรงนี้จึงเป็นก็เรียกว่าเป็นปณิติวะชะคือมีโทษตามบทบัญญัติของศาสนานั้นๆของท้องถิ่นนั้นๆถ้าเรามองที่พระพุทธศาสนาเราไปจะเห็นว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมันจะมีอยู่สองช่วงที่เราพูดว่าเป็นธรรมวินัยเนี่ย ถา้าทำมันมีความสา ก, กลคือก็เป็นยังไงเขาก็เป็นเขาอย่างั้นเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เหตุแห่งทุกข์จริงเป็นความดับทุกข์ก็ความดับทุกข์จริงเป็นอริมักก็เป็นอริมักจริงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยสถานะของเขาแต่ใ น, นส่วนวินัยเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะวินัยมันเป็นการบัำ ญ, ญัติมีลักษณะเหมือนกับบันไดที่ไต่ขึ้นไปสู่ธรรมะ ถ้าเราดูแล้วค่ๆกันนั่งร้านที่ท่านอุปมาเหมือนกับการเขียนหนังสือโดยมีเส้นบรรทัดก็จาเป็นต้องใช้ในตอนต้นๆพอเราเขียนจนมีชานานดีแล้วก็ไม่ต้องมีบรรทัดก็เขียนได้หรือเอาดอกไม้มาร้อยเรียงกันเพื่อให้เกิดความสวยงามคือการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะ พอถ้าเรามองไปแนวของพระวินัยเนี่ยพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการระบญญายพระวินัยเนี่ยโดยหลักจริงๆก็มีสิบประการนะฮะแต่ว่าในพระบาลีบางแห่งคือในพระสูตรปันตะปิฎก บ, บางแห่งเราเพิ่มขึ้นแต่เราก็มองเพียงสี่อย่างเนีะคืออย่างหนึ่งคือให้สงยอมรับว่าอย่างนี้เหมาะควรแก่การที่จะบัญญัติขึ้นแต่ถ้าเราไปดูพระวินัยยกตัวอย่างเช่น การกินข้าวเย็นนะฮะคือในพระวินัยเนี่ยมีข้าวใหเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยบินธบาติเดี๋ยตอนเย็นก็ยังกินข้าวกันต้องมีการบินธบาตไปสะดุดเอาข้าวของอะไรต่รตางๆเขาแล้วก็ต่อมาก็เกิดบัญญัติขึ้นมาทีหลังเพราะอะไรจริงๆกินข้าวเย็นไม่ได้บาดอะไรแต่ว่าสมัครพระแล้วเนี่ยมันเป็นชีวิตพรหมจรรย์ แต่การรับประทานอาหารมากๆนั้นจะทำให้ร่างกายมีพลังในทางเพศสูงขึ้นมั้ก็มีปัญหาในการทักษะ ศ, รรศรรีลพรหมจักรแต่นั้นก็สมงบัญญัติงดเว้นปณิีลข้อสุราเนี่ยจึงไม่อยู่ในกุศลกัหบดสิบประการแลวไม่อยู่ในอริมักไปองแปดประการด้วย ถามาเป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเพราะว่าเขาเป็นอบายยมุกนะฮะเป็นทางเสือกเสือ ม, มากเสือมน้อยก็อยู่ที่ว่าก็ตกเป็นทาสของสุรามากหรือน้อยบาลีดัญชัยก็มาหนักเหลงสุราภาษาแรงก็ดืดมากดืดมากปัญหามก็มากโทษมันก็มากแต่ว่าโทษเหล่านั้นนะเราลองสังเกตว่ามันไม่ใช่โทษสากล แลการดื่มบางครั้งในพิธีกรรมทางศาสนาบางศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราลองดูศีลข้ออื่นๆลงไปนะในศีลในศีลแปดที่คุ้นๆกันเนี่ยศีลบัสดที่คุ้นๆเนี่ยแล้วข้อที่หกก็รับประทานอาหารเย็นคือรับประทานอาหารในในเวลาวิกาลคือหลังจากเที่ยงเที่ยงวันนะฮะเที่ยงวันแล้วไป ด้วการดูการขวัญรำไม่ใช่การขวัญรำขับร้องด้วยการประกอบดนตรีดิสก์ติปเป่าและดูการเล่นต่างๆหมายความว่าไปแสดงเองหรือดูคนอื่นก็แสดงการประดับประดาร่างกายให้เกิดความสวยงามจนหูหราคู้ฟ้าเกินเหตุเกินผลไปและการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีลุ่นในสมัมฤทธิเครื่องราดชวิจิตรงดงาม การนอนนะฮะที่จริงก็ไม่ได้พูดการนั่งแต่ว่าเราคล่องปากยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือบาลีเนี่อุจายสยนะแปลว่าที่นอนสูงหมาสยานะแปลว่าที่นอนใหญ่คือไม่ได้ห้ามการนั่งนแต่ห้ามการนอนถามมาทําไมมันไปกระตุ้นการมมาละคะเห็นไหมบริโภคอาหารเย็นก็กระตุ้นการมมาละคะ แต่ดูผัวนำขับร้องไปผัวนำขับร้องเองเนี่ยส่วนมากพวกดนตรีทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นราวการมารงครัก็ เ, เรียกเครื่องประหลงโลกพูดเรื่องรักๆพูดเรื่องเพศพูดหญิงเรื่องหญิงเรื่องชายส่วนมากก็พูดเรื่องผู้หญิงเรื่องความสวยงามความผูกพันอะไรต่อะไรกันแล้วก็ชักยเย่อเบ้นะมันก็นเหตุเกินผลไปเยอะแต่คนก็พอใจที่จะฟังในเรื่องต่กัน แต่นั้นเราจรึงเห็นว่าศีลที่มันปกติจริงๆเนี่ยก็คือศีลห้าศีลห้าข้อสุราเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้ามาทีหลังแต่ว่ากรรมกิเลสจริงๆคือเครื่องสมองใจจริงๆก็มีแค่สีข้อแล้วในเรนนี้ก็มีแค่สีข้ออาตมาได้ทดลองให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้พักษาให้เข้าไปแยกประเภทความผิดในกฎหมายอาญาบัณฑุ แล้วก็ตามโครงสร้างของศีลห้ามานะคบลองแยกมาดูซิว่าอะไรเป็นผิดศีลข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เขาก็ทำมาแล้วนะเป็นกระดาษติดเป็นแผ่นยาวเยียดเลยแต่ก็ยังไม่ได้ไปรวบรวมเพราะถ้าทำเนี่ยมันก็คงทำทายากกันนะเพราะว่าเนื้อหาคงเยอะแต่ถ้าเราอ่านให้ดีเราจะเห็นถึงว่า สีนี่เป็นหลักการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมเป็นการสร้างสังคมที่ยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันเพราะได้สิ่งที่เราเรียกร้องกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเรียกร้องพระนดอนภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องเราเรียกร้องสมาภาพคือความเสมอกันเรีเสริพาคือสิทธิ เอปรีในการดำรงชีวิตเนี่ยเกิดถ้าเราพูดไปพูดมาที่จริงมันเป็นสีธาตุตอนการสมาทานสีในการรักษาสีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านหนึ่งเมืองหนึแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามมันซ้าซากเหตุการของราคาจัดโลภะจัดโทสะจัดโมหะจัดทิสยาจัดเบียดเบียนจัด มันไม่ยีอะไรอะคือโลภะโทสามโมหะแล้วก็โมหะนี่เขาเป็นรากง้าวกันเลยหรือโง่นี่มันอยู่ตลอดนะแล้วลองดูว่ามีข่าวคราวเป็นอนังมากที่แสดงว่าความรู้ทุบบัวเนีน่ยบางทีก่อตัวไม่รอดี่เรื่องราวขดไม่น่าเชื่อไปประกอบปฏิกรรมที่เกี่ยวกับประทุษรายต่อชีวิตเนี่ยเราฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะ แต่ก็เป็นเรื่องต้องความหูไหูเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าทาจริงก็เป็นความโง่หรือความโกรธแบบงงๆหรือโลภแบบงงๆเราก็ไม่คอรทำเพราะอะไรนะะแต่นั้นก็คืออาการของกิเลสคำว่าปกติที่จริงมันเป็นการควบคุมอาการกายวาจาของเราระดับศีลเนี่ยถ้าษีลทั่วไปคือศีลห้าเนี่ยระดับศีลห้าเนี่ย เราสังเกตว่าเป็นการเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนบุคคลอื่นข้อสุราเนี่ยมันเริ่มต้นที่การเบียดเบียนตนเองแต่พอเมา่อไอ้อลาวาสมาก็เบียดเพียงคนอื่นด้วยเตลปานาทินนากาเมมุสานี่เบียดเบียนทันทีเลยเบียดเบียนคนอื่นทันทีเลยเราก็กลายเป็นอะไรปีสิงข้อที่หนึ่งก็กลายเป็นคฆาตกร ผีศิงข้อที่สองก็กลายเป็นโจรขอรับชั่นช่อชนอะไรก็แล้วแต่นะฮะผีสิงข้อที่สามก็กลายเป็นคนเจ้าชู้ผีศีงข้อที่สี่ก็กลายเป็นคนโกหกเห็นไหมเราทําเราเองไลทั้งหมดเนี่ยเราเป็นก็เราเองเราทําเราเองไม่มีใครทําให้ าสามารถที่จะเลือกงดเว้นก็ได้สามารถที่จะกระทำก็ได้แต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบในผลกรรมที่คุณกระทำลงไปแล้วนี่เป็นเป็นบทคิดง่ายๆบาลีท่านใช้คำว่าอัตตานังอุปปังกัตถวาเคททำตนไปดูกมาแล้วเราจะเห็นว่ามันคงงดเว้นไปได้นลักศีลเหล่านี้ถ้ามนุษย์มีสำนึกมีมโนธรรมสานึก แล้วก็บรรเวาไม่ร่วงละเมิดในเรื่องสีเรื่องดังกล่าวก็กลายเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบีย น, น, นบุคคลอื่นทีนี้คุณองศีลเราลองดูคุณกอนศีลที่ท่านแสดงว่าบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้กับพระศีลสมบูรณ์ในปพกสมบดได้กับพระศีลแต่บรรลุมรรคผลนิพพานได้กับศีล ก็แสดงว่าผลของสีนั้นมันเป็นการสร้างความสวัสดีแกเรามากกว่าที่สร้างความสวัสดีแกคนเดียวนะยกตัวอย่างเห็นได้ไ ง, ง่ายๆนะฮะว่าเราไม่ฆ่าเขานี่ยังไงเขาก็ตายเราไม่รักของเขาเนี่ยยังไงทรัพย์สินเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปปวนไปตามธรรมดาของสังขารเราไม่โกหกเขาก็ถูกคนอื่นโกหกหรือเขากโกหกตัวก็เอง เราไม่ต้องเกินคู่ครองเขาแต่คู่ครองเขาก็เป็นสังขาร น, นะฮะก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเราเองนั้นไม่ต้องทำบาปไม่ต้องตกนรกแล้วก็บังเกิดในสุคติสมบูรณ์ในปกสมบัติเป็นบารมีนะะเป็นอุปนิสัยปัจจั ย, ยามากกวนิพพานเพราะแต่เราคิดดูแล้วเนี่ยเราได้มากกว่าเราเสีย คือคนอื่นที่เรางดเว้นไม่เบียเดเบียนเขาเนี่ยเขาก็ไปตามธรรมดาของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีเนี่ยเช่นสมมติว่าโกรธมากๆเลยต้องการจะฆ่านายกอถ้าปัญญามันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่ฆ่านายกอเนี่ยกอจะตายเ้าจะนว่านายกอไตายแล้วฆ่าเขาทาไม ก็ยังไงเขาก็ตายตามที่เราอยากให้ตายแหะแต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฆาตกรเพราะการเป็นฆาตกรจะเป็นบาปมากกว่าที่ถูกคนอื่นก็ฆ่าหมายความว่าเขาฆ่าเราเนี่ยถ้าเราทำความดีเราก็บังเกิดในสุคติได้แต่เราฆ่าเขาเนี่ยไม่มีทางการคุณลุมด้วยฝังตัวเองไว้อย่างชัดเจนไม่มีทางที่จะ อีกกั้นประตูอบายได้แนวตัวเนี้ยบางทีก็คิดคิดเพื่อนๆธรรมดาเช่นว่าเราก็รักชีวิตเรารักทรัพย์สินของเรารักคู่ครองของเราพอใจที่จะฟังเรื่องที่เป็นจริงเป็นสัตว์เป็นจริงและคนอื่นก็คิดเช่นนั้นเราก็สำรวจระวังพรอะการทั้งหมืว่ามันเกิดขึ้นด้วยความคิด แต่ความคิดที่มีจิตสํานึกซึ่งจะเกิดจากอะไรก็ได้นะจะเกิดจากอะไรก็ได้มีท่านผู้หนึ่งท่านเล่าว่าเป็นคนชอบยิงนกแล้วก็เดินมากับหลานสาวอายุเท่าไรรู้เจ็ดขวบหลานสาวอายุเจ็ดขวบตัวเองก็แบกปืนลงไปแล้วก็ยิงนกยิงนกแล้วก็ส่งให้หลานสาว ถามว่าหลังก็สงสัยมันนุ่งนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวถามวันจะเอาไปทำไมนะก็ไปกินแล้วถามว่าเด็กแกก็สงสัยนะไอ้ครอบครัวของนอกอะ่ะพ่อแม่พี่น้องของนอกเขาจะคิดยังไงที่เรามันกินลูกของเขาไนะแก ค, คิดได้ตั้งแต่วันนั้นเลย และเดนนี้ก็กลายเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเปยแผ่ธรรมะปฏิบัติธรรมะจริ ง, จ, รงจังนะฮะเห็นไหมนี่ก็สํานึกนี่บางทีมันเกิดขึ้นง่ายๆแต่การเกิดของคนพวกนี้มันก็คล้ายๆกับที่เกิดแก่เด็กแก่แก่พ่อของเด็กสองคนคนหนึ่งก็ยิงปืนเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ยิงนะแต่คนนี้ยิงแล้วแต่คนน้องก็ยังไม่ได้ยิงมันเล็งปืนจะยิงนก ไอ้หลานชายอายุสี่ห้าขวบเนี่ยก็ถามมาหน้านะจะทําเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลานชายลูกถามพ่อพ่อจะทําอะไรแเอหญิงนกยิงตัวไหนก็หญิงพ่อนกแล้วแกก็ถามซื่อๆนี่เด็กถามซื่อๆนี่แล้วลูกนกเวลาพ่อก็ตายแล้วก็จะอยู่กับใครพ่อมันเหมือนกับผมนี่ถ้าพ่อตายแล้วผมจะอยู่กับใครอื้อร่วงเลยเนี่ยฮะ เพราะมันยิ่งใหญ่มากเลยคำพูดในลักษณะนี้เป็นคำพูดที่ไร้เดียงสาแต่นั้นคือสัจธรรมคนรเด็ ก, ก็สามารถแสดงสัจธรรมแก่ผู้ปกครองเราตัวเองได้แต่คนคนหนึ่งก็ก็กกกทำนองเดียวกันนะแต่เนื้อมือกำลังจะแพงปลาปลาซึ่งลูกลูกคลอกลูกปลาเนี่ยก็พ่อหรือแม่มันก็ว่ายอยู่ข้างล่าง ก็จ้องชั่วโมงกำลังจะแทงลูกก็ถามว่าพ่อจะทำอะไรก็จะแทงพ่อปาลาแรือแม่ปลาเนี่ยเอาแล้วก็ตพ่อมันตายแล้วลูกมันอยู่กับใครก็ถามเหมือนกันเนี่ยฮะเ้าเจอว่าแนวเนี้ยที่จริงมันเป็นภาษาง่ายๆแต่คนไม่ค่อยได้คิดแต่นั่นเองภาษาที่ถามเป็นภาษาธรรมดาแต่พกคนคิดมันก็คิดได้ เพราะท่านยังโยเจตานาในชื่อวสีเพราะในการเกิดของศีเนี่ยมันเกิดได้สามวิธีวิธีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือมันเกิดจากมนษธรรมสำนึกเราก็มีความคิดนั่นเล่าถึงจักกนะอุบาสกจักกนะนะฮะเป็นเด็กหนุ่ม โรคเกิดขึ้นแก่แม่ของเขาแล้วก็หมอก็บอกว่าจะรักษาหายได้เนี่ยต้องใช้เลือด ก, กระต่ายสดๆเป็นกระสายยาพี่ชายก็บอกให้น้องไปจับกระต่ายน้องก็ไปนะฮะกระต่ายกำลังกินอาหารแกก็วิ่งไล่แต่กายก็วิ่งตงใจวิ่งหนีเอาสิก็ชีวิตรอดแต่ในที่สุดแกก็จับได้นะจับได้แกก็ร้องดิ้นกระต่ายก็ร้องดิ้น มันก็เกิดความคิดเนี่ยเกิความคิดว่ากระต่ายก็คือชีวิตแม่ก็คือชีวิตเราก็คือชีวิตมันไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่เราไปฆ่าคนอื่นเอาชีวิตของคนอื่นมาแลกกับชีวิตของแม่เราแล้วไใ้สุดก็ปล่อยแล้วบอกให้เธอไปกินหญา ก, กินน้ําตามสบายนะอย่าได้เบียดเบียนกันเลย แล้วก็ด้วยผลของงดเว้นตรงนี้แม่ท่านก็หายโดยไม่ต้องมีกินเลือดสดๆของกระต่ายความคิดแต่แนวนี้มันมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตัวการใหญ่ของศีลเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รับจากคนอื่นแต่ว่าถ้าตัวหลักจริงๆเนี่ยมันเกิดจากเคธีโอตบปาลหมายว่าคนต้องละอายบาปและสะดุ้งกลัวตบบาป และบาปนั้นเราจะต้องเชื่อเรื่องความมีอยู่ของนรกสวรรค์ด้วยเพราะถ้าไม่เชื่อแล้วจะยากมากเพราะอะไรเพราะว่าบาปเนี่ยมันมีกำลังแรงเมื่อมันมีตัวกระตุ้นเช่นเราเดินไม่เจอเงินก็วางทิ้งกระเป๋าไว้เปิดขึ้นมาเป็นเงินล้านนั่นนั้นเป็นเงินเป็นเงินใบรลพันนั่นนั้นเนี่ยเห็นไหมตัวกระตุ้นมันเกิดโลภะเยอะ แต่ถ้าปัญญามันมีมากพอเนี่ยเราก็รู้ทันทีว่าเงินคนอื่นไม่ใช่เงินเรา่แล้วเกิดสัมบรวมระหว่างที่เหอุการสํมรวมระหว่างนั้นเราจะเห็นว่าเราเป็นเพียงผู้มีศีลก็ได้หรือเป็นผู้มีธรรมะพัฒนาขึ้นไปอีกจุดหนึ่งก็ได้ซึ่งก็ที่จริงก็เป็นตอนปลายของศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเกิดไม่ตาเอ็นดูต่อเจ้าของทั สงสารเขาที่ทรย์สมบัติจะสูญหายไปมองซ้ายมองขวาไม่เห็นคนก็หาทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือว่านําไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ว่าทางที่ดีในแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะเพราะถ้านําไปเนี่ยถ้าเราขิ้วไปบางทีมันเสียจังหวะเข้าจังหวะพอดีก็จับได้หาว่าเราขโมยทรัพย์เราก็ยุ่งกัน ด้วยความเป็นกฎหมายเนี่ยบางทีมันมันเป็นช่องว่างของกฎหมายด้วยการที่มีทรัพย์ของคนอื่นอยู่ในครอบครองเนี่ยไม่ได้หมายว่ารับของโจรปกปิดของโจรเออสมโจรอะไรเสมอไปละ่ะแต่บางทีเราเห็นเป็นของที่วางตกเอาไว้แล้วก็นําไปคืนในพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุเนี่ยจับต้องทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านได้ เธอขอลืมมาในวัดเนี่ยนะเก็บไปให้เขาได้นะะตามปกติแล้ววิ น, ยนัยเนี่ถือว่าพวกนี้เป็นวัตถุนามาเดียวกาจะบปองไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่ชาวบ้านก็ ข, ขอมาวางลืมมาไว้เนะี่ยพระเก็บรักษาไว้ให้ได้พระนรเทระเคยเก็บเครื่องประดับประดามาประสาทของนาวิสาขาซึ่งวัตถุนามาทั้งนั้นเลยนะคือเสื้อประดับผู้หญิงเนี่ยพระเขาห้ามจับนะ เครื่องแต่งตัวของผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยพระเนี่ยเขาห้ามจับแล้วก็อั ญ, ญมณีทั้งหลายที่ประดับที่ทเสือ้อมาก็เป็นวตัวนตถุนามะในตัวเสื้อเองเนี่ยก็เป็นวตัตถุนามะก็ จ, ะจบจะต้องไม่ได้ในเครื่องประดับก็จะต้องไม่ได้แต่พระวินัยอนุญาตไปว่าในกรณีที่ชาวบ้านเขาลืมทิ้งเอาไว้เนี่ยพระต้องเกิดกรุณานะไปเก็บเอาไว้แต่เกิดโลภะไม่ได้นะเกิดโลภะและปาราชิกเลย เกิดโลภะไปรักษาลักซ่อนเอาไว้ไปเบียดบังเอาไว้วอะไรก็ไรเดี่ยขาดจะพลาเลยเห็นไหมมันเป็นโอกาสโอกาสที่เราจะเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีก็ได้ แ, แรงกระตุ้นที่มาจากข้างนอกเนี่ยมันเกิดโลภะก็ได้เกิดเมตตก็ได้มันอยู่ที่ใจเราอนะใจเราเราคิดยังไงก็งั้นปัญหาในการปฏิบัติธรรมะเนี่ย ที่จริงมันอยู่ที่การตัดสินใจในแต่ละขณะของเราตอนในขั้นที่ละเอียดประณีตเนี่ยธรรมะก็จะพูดเป็นขณะดขนาดไปปัญหานสําคัญว่าเราคิดยังไงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดต้องฟังทงั้งหลายใต้หรวงพ่ิจารในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลารเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี